เอกมูลกะในเจ็ดสิบเจดอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลยังมีอนุสัยคือกรรมราคะนุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือกรรมราคะนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปิ บุคคลยังม <Wow. S 3> ีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 บุคคลยังมีอนุสัยคือคามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือคามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือก า, รามราคานุสัยในเวทนาสองในกามมาตคบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสยัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือ ก, กามราคานุสัย78อนุบุคคลยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสยัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือม า, านานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ใชปฏิ บุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็ยังมีอนุสัยคือปฏิภานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในความธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิภานุสัยในทุกเวทนาบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือปฏิภานุสัยอนุ บุคคลยังมีอนุสัยคือปฏิคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือภวราคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ MM ใช่ปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือภวราคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลยังมีอนุสัยคือปฏิคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 บุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือปฏิธานุสัยเจสิบอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุด ก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยในเวทนาสองในรามมัทธและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอนุ บุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกา ม, มาธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุน uh ั <intersections, S 1> ้นและก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยปฏิ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 ก็ย oui. an? ังม anyway. ีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่แปออนุบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในเวทนาสามในกามาตาบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม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 บุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยและกลามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือกลามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 ในทุกเวทนาบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกางมราคานุสัยอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือกางมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุด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 บุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุน uh, <The> <the> ั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยทุกกะมูลกะในจบติกะมูลกะในแปสิบสอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหม วิไม่มีปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากท่าใดก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากท่านั้นใช่ไหมวิในรูปปัทธาและอรูปปัทธาบุคคลยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากท่านั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามาธาต์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 และมานานุสัยอังเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปติบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิภานุสัยและมานานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและมานานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือการมรา k a n ุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยการาร akan ุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยในทุกเวทนาบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือการมร a k a นุสัยและมานานุสัย ติกะมูลกะในจบจจตุกะมูลกะในแปดสิบห้าอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏตขานุสัยมานานุสัยและทิธานุสัยอันกิจากท่าใด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 บุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยกรรมราคะนุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิฆานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม yeah, mm. ่ใช <check> ่ยังมีอนุสัย <Landesregierung> คือการมราคะนุส <misin> ัยและมานานุสัยจะตุกะมูลกะในจบปัญจกะมูลกะใน แปสหอนุบุคคลยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากท่าใดก็ยังมีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากท่านั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลยังมีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากท่าใดก็ยังมีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นยังมีอนุสัยเคอมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอนุบุคคลยังมีอนุสัยเคอการมาราคานุสัยปฏิตคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากธาตุใดก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิขานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยและปฏิขานุสัย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 มานานุัยและภาวะราคานุใสฉากกะมูลกะในจบ mm hmm. อนุโลมะปกโลกาเอากะมูลกะใน8ปดสิบปดอนุ บุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ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 อันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือกรามราคาอนุสัยอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกรามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกวามมาธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือกรามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสองในการมาธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ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 บุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ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 บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอังเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอังเกิดจากธาตุใด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 เกอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในการมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัย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 บุคคลนั้นยังมี อ, like อนุสัยคือวิจิขิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในฟรมามธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือวิจิขิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอ น, น, น, น, น, นุสัคยคือมานานーーุสัยอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 แล้วก็ยังม <your freedom. S 2> ีอนุสัยคือภวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอังเกิดจากท่าใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอังเกิดจากท่านนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอังเกิดจากท่าใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากท่านั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลน nah uh> 네ั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในทุกเวทนาบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัย91อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัคยคือทิฐานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่92บุคคลใด aya, ich ich ich ich an, ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากาธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในารมามธาตุบุคคล น, aya, ich ich ich ich an, น, นั้นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 บุคคลสามเจมพูกในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอังเกิลจทากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจทากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอนุ บุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอังเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยแองเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยแองเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแองเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในขามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสาในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอน <ple> ุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัย93อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืมานอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปติบุคคลใดยังมีอนุสัยคืมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยเคือกลารมราคานุสัยและปฏิภานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในความมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ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 บุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือมานุสัยและการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานนุสัยวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุด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 บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยเพอภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยเพอภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยเพกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยเพอกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวรมานุสัยแิคลานุสัยอังเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคลานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสาในกรมธาตุและในรูปธาตุหรอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้น